มาปฏิบัติธรรมนั้นคล้ายๆกับว่ามาลึกมากรอมาพิจารณาพินิจพิจารณาหาข้อเท็จจริงในหลักธรรมนั้นที่เร า, าปฏิบัติถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเพียงพรรษาหนึ่งก็ดีหรือหากบางคนอาจจะไปหลายวัดหลายวหายวหลายพรรษาแล้วก็ได้ที่ปฏิบัติมา แต่ก็จับหลักไม่ได้คือว่าพินิษพิจิจนาคึกกองคิดท่องแท้ในใจของตนไม่จริงเลยสักอย่างเดียวโดยรัวโลวเลปฏิบัติโลเลเอาหลักมั่นคงไม่ได้ น, นั่นก็ยังใช่ไม่ได้ดีใช่ไม่ได้ดีการที่จะให้ได้ดีแท้ๆนะต้องให้มีหลักให้มั่นคงในใจของตน การที่จะได้ให้มันคงของตัวนั้นต้องพิจารณาตามนี้แหละที่เราปฏิบัตินี่และก็ไม่มีอะไร ห, หรอกปฏิบัติในพุทธศาสนาคือทําดีมีหลักยังไงกันบ้างที่เราทําดีๆทําดีทุกวันเนี้มีหลักอะไรบ้างพูดก็ย่อก็คือว่ามีการทําทานมีการรักษาศีล มีการทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาทั้งสี่อย่างนี่แหละเรียกว่าหลักหลักการทำดีของพุทธศาสนาไม่หนีจากนี้ทั้งไม่หนีจากนี้ที่ทำคนดีทั้งหมดไม่หนีจากนี้เลยต้องทำตามหลักสี่ประการนี่แหละขานี้หลักเบื้องต้นเรื่อการทำทาน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 เรียกว่ากรรมกสตถาเชื่อก ร, รมเจ้ผลของกรรมความเชื่อมันแล้วท ำ, ทำทำฐานลงไปย่อมไม่ผิดพลาดได้ความสมปาถนาทุกกะอะไรที่ว่าไม่ผิดพลาดในที่นี้ความเชื่อแน่นแฟ้นในใจของตนแล้ว ทำทานลงไปทานนี้เป็นผลเลิศทานยังยงีได้เกียตนเองความเชื่ออย่างนี้ทานสมัยทางทางพุทธกาลท่านเทศนาไว้ว่าทานนวัตุมีสิบประการทานนาเรียกว่าวัตถุทา น, นวัตถุ ถ้าไม่มีวัตถุไม่เรียกฐานนั้นฐานนั้นต้องมีภูรัปจึงเรียกว่าทําฐานทานมีวัตถุทานมีภูรับจึงเรียกว่าฐานทานชิปประการวัตถุชิปประการอนาปานังวัดถังญานังอนาแปลว่าเข้านา คือให้ทานเข่าปลานังให้ทานน้ำวัดถังผายานังคือยัวยานผาณะเหล่านี้แหละสี่อย่างนี้แหละเอาไว้ชก่อนคือให้ทานต้องมีวัตถุเช่นเข่าเป็นต้น ต้องมีวัตถุแล้วก็ให้ใครผู้รับปฏิคาหกให้ใครก็ได้ให้เจ้าก็ะสงฆ์ิสูจช้ามาเนรอวาสุวาสิก า, กราหรือให้แม่แต่สติราชานก็เรียกว่าให้ฐานยานางคือน้ําไอปานางคือน้ําให้น้ําอะไรก็เอาน้ำปลาหน้าก็เอาน้ําดื่มธรรมดานี่ก็ให้ มีแต่ข้าวไม่มีน้ำมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันข้าวก็ต้องหุงด้วยน้ำมันยังจะสุกน้ำแลืน้ำอะไรก็ตามเถอะสุ่แล้วแต่ค น, ค น, ค น, คนที่ควรบริโภคใดเรียกว่าฝานังวัดถังคือผ่าให้ทานผ่าท่านทาหากว่า เป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ่าเหลืองกระขาไม่ชี้แล้วก็ใช้ผ่าขาวคนนบตาสามัญที่เป็นคลาวานแล้วแต่จะใช้เถ่อนแล้วแต่จะให้เถอะผ่าแด้ก็ได้ผ่าสีสนนารณะมีรูปพรร์ต่างๆได้ไหมดยานังยานภานะที่ช่วย ให้คนได้เดินเล็วเขา้าให้คนไปถึงเล็วเขา้าจะเป็นรถเป็นลาหรือเป็นภานะเครื่องบินก็ได้เพราะนั้นเรียกว่าฐานยานะมาลาคันทงังวิเลปนงังคือว่าเครื่องลูปมาลาคือดอกไม้ทูกเทียน เรื่องของหอมกระเจะจันนรภการต่างๆวิเลปนังคือเครื่องลูกไล่ของทาตนทาตัวนี่เรียกว่าให้ทานวัตถุอ ทัานทางวิเประนังให้ทานนวัตุมีของหอมรูปรายเป็นตน้นให้ต้องมีคนรับทานวัตถุต้องมีคนวัตถุผู้ออรับต้องมีวัตถุคือ ค, คอุหรือสิ่งต่างๆที่จะรับประนั้นนะ่ะเรียกว่าทานณวัตุสิบประการทานเป็นอย่างนี้ ยังอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสองในซึ่งเป็นภาษาคำพูดขขงที่เรียกว่าจาคคือการสละจาค่านี้ไม่ต้องมีใครรับสละให้สละหมดจะเรียกว่าไม่มีใครรับก็ได้นั่นไม่ต้องมีวัตถุจาค่าเป็นของสำคัญมาก บางครั้งท่านเคเรียกว่าทานบริจาคท่านเคยเรียกเหมือนกันแต่ว่าทานก็มีอีกอย่างหนบริจาคก็มีอีกอย่างหนึ่มีสองคำจากฆ่าสละนี้เช่นเราปฏิบัติอันใดขัดข้องในจิตในใจเศร้าหมองในจิตในใจไม่พองใช้ปอดโป่งในจิตในใจเราสละ สาร่าคือจ่าข่าเองสาะอะได้เจอจ่าเป็นของดีมากอันนี้ก็ของสูงทีเดียวสระอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการที่ข้องขัดอยู่ในจิตในใจของตนเพื่อเอาให้มดไม่มีใครรับแต่หากไม่อดคนจะรับเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าสาระมด โกโกองสละหมดแล้วคนทุกวันนี้นี่พากันแย่งชิงกันความโลกท้องสละหมดมาตกพวกคนทั้งหลายชิงกันเลยอยากได้โนู่นอยากนั่นนี่ชิงดีชิงเด่นชิงนาสชิงยศซึ่งกันและกั น, กกออนนั้นเรียกว่าโลกอ่อนันเรียกว่าแย่งกัน เมื่อแย่งกันก็นเป็นเหตุทเลาะวิวาสกันทุ่มเถียงข้าปันเกันเดียกันอันนี้ข่มโลกความโกรธก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านเที่ยงหมดทละหมดแต่คนเรานะโกรธนี่ชอบนักใครว่าคิดถุไม่ได้หรอกแต่รักเอาความเขา ม, มาโกรธทําอีกไม่รู้เลยเขาตัวเขาไม่รู้ทําอีก มันคนผู้ว่าเราเป็นรักกับความโกรธนะนะมักโกรธยุ่คนเดียวกุ้มใจคนเดียวความหลงโมเมาต่างๆเหมือนกันอันนี้จาระเป็นอย่างนี้น <c oughs> พระองค์ไม่มีตัววัตถุที่วัตถุทานก็ไม่มีวัตถุจาระก็มีบุคคลก็ไม่มีที่จะรับ แต่ห้างไม่อดคนที่มารับออกศรัทธาก็เป็นของดีดีเหมือนกันพระองค์ก็เทศนาไว้สัทธายาปริสติไอใอศัทธายาติติโอขังศรัทธาเป็นเครื่องขามโอหะคือหมายความว่า มีศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนั่นแหละเป็นเหตุในหะ้ขามโอขะถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวมดเลือกโอคะก็จไมาขามค้ามนโอขะคือสงสารโอขะคือวตตทสงสารห่วงคือห่วงน้ำคือโอคะราคะโทสะโมหะเป็นโอขะแต่ละอย่างละอย่าง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 เข้าใจใกล้ๆนี่วศรัทธาเป็นเบื้องต้นที่จะทำทานนี่เป็นเบื้องตน้นในการที่จะทำทานถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดทานอยู่ไหนก็ไดนมากก็ไดนน้อยก็ไดนไม่ต้องเลือกวัตถุจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นอาหารการกินมากผู้ผู้รีสารพัด ไม่ได่เป็นทานทั้งหมดแม้แต่ใบไม้ใบตองก็เป็นทานเราทานไปนด้วยศรัทธาเชื่อมันว่าทําสิ่งนี้ให้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นจะเป็นบุญี่เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นนั่นแหละอิ่มโอ้อิ่มใจขึ้นมานั่นเราเรียกว่าศรัทธามันทําให้อิ่มใจ ทานอากไปแล้วอิม่ม อ, อกอิ่มใจทุกอย่างทราบซึงทึงจิตถึงใจไม่ลืมเลยนั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หามอุ่าได้ทานี้เรื่องสมาธิมีอะไรเป็นหลักผู้หัดสมาธิมีอะไรเป็นหลักให้พิจารณาท้งตัวของเองตัวเองก็ได้ ให้พิจารณาดรวอว่าเราทรําทำไมมาที่ด้วยวันนี้เพื่ออะไรเพื่อสระสระอะไรทุกอย่างแล้สลระเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมาจิบมาคล้องในใจมัวหมองในจิตนั่นอัละจริงนั่นเน่ยมันเรียกว่าจากมีรักอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่า ลาวิตตกวิจารปิติสุขิกตาห้านั่นเรียกองค์ชานมีองหาละ ก, ก็คือสละนั่นเองกระจาขะตัวนั้นเนี่ยสละก็คือกจาขะตัวนั้นเองกจาขะสละไปแล้วนั้น จิตใจเงี้ยปลอดโปร่งหองใสสะอาดเราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองขยจัตละอาจจกัเห็นด้วยใจตนเองก็ได้ความโกรธมันเศร้าหมองความโลภมันก็เศร้าหมองความหลงมันก็เศร้าหมองทําใจให้มืดมิด ทำใจให้ติดข้องในเรื่องนั้นไม่หายสักทีคนที่ติดพบติดชาตินานๆก็ติดเจ้าของคนนี้เองผู้ที่ติดนานๆติดพบติดชาตินานเนีมันเลยเป็นนิสัยคลองแล้วนี้เลยจึงหัดละหัดทิ้งหัดถอนในชาตินี้ เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วฮัดพดปล่อยทอดทุระเสียทำให้ข้อเบาบางไปนั่นยังเรียกว่าหัดสมาธิเพื่อลักสมาธิมีการละมีการปล่อยวางเป็นหลักปัญญาแล้วคัน รวมที่พิจารณารอบรู้ในสิ่งต่างๆรู้อะไรก็เอาเถอะของละเล็กแน้อยนี่ก็อยู่ในเขตในขอบเขตของปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งสิงจาบละเอียดอยู่ในขอบเขตของปัญญาปัญญาธรรมดาสามัญ น, นี่แหละไม่ต้องปัญญาอะไรมากมาย ปัญญาที่เป็นฝ่ายปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมะพิจารณาได้เกิดเป็นธรรมทั้งหมดความโลภดีเหมือนกันพิจารณาเห็นความโลภมันดีคือมันไม่โลภมันก็ไม่ละโลภไม่โกรธก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธก็ไม่ละ ไม่ได้ละโกรธนะไม่มีโกรธจะเอาอะไรมาละไม่มีหลงก็ไม่ได้ละหลงนี่มันเป็นธรรมอย่างนี้คนที่ไม่เห็นเป็นธรรมโลภก็คุ้มอกกุ่มใจอยากจะได้ทายเดียวไม่มีธารมปลดเปื้องแก้ไขตนเองได้โกรธก็เหมือนกัน เลยคุอบควองใจแต่ความโกรธเท่า น, นั้นมืดมิดปิดคนทางไม่มีทางออกความหลงก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่านั้นเป็นธรรมเลยพีแต่ความโลภ ค, ความโกรธอย่างเดียว น, นั่นจริงว่าเปน็นนั่นจริงว่าเป็นโลกไม่เป็นธรรมนะ มันถ้าเป็นธรรมแล้เห็นมันละใชก่อนเนี่เขาเป็นธรรมละเล้วเขาเห็นเห็นคุณของค่าเห็นคุณค่าของเรื่องเหล่านั้นนันนี่เรียกว่าปัญญาธรมาญญาามธรมดาเนี่ยปัญญาสามอันธรรมดานี่แหละถ้าไปย้อนสู่วิจขึ้นไปคนนั้นปัญญาปัจนามันเกิดเองเป็นเองหรอกนะ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 เห็นอนิจจังทุกขรง้าตาหมดเรื่องพุทธศาสนาหมดแค่นั้นเห็นอะไรก็เห็นถึกลงอนิจจังทุกครังแล้วหมดไม่มีทางไปนี่หลยอธิบายให้ฟังทั้งเรื่องทานมีหลักคือชทาได้ก่อน ชินก็นคือมีหลักชินไม่หลักคืออะไรคือวิเดติมดเว้นแล้จะมีฮิโอดตะปาเป็นเครื่องอยู่สมาธิคือมีจาคะปัญญาเนี่คือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งทั้งพวงหมดรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว ปัญญามีสองอย่างขั้นเป็นญาในทางธรรมเห็นโลกเป็นธรรม่างอธิบายมาแล้วโลกโกดหลงนั้นเป็นของดีขั้นไม่มีโลกโกดหลงก็ไม่ได้ละโลกโกดหลงอันนั้นเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาสูงดีเด่นเข้าไปกว่า น, นั้นอีกเรียกว่าปัญญาปัสญา เรียนนาสิ่งมวงหมดเห็นเป็นโทษทุกภัยเห็นเป็นภัยอันตรายแก่จิตใจแล้วปล่อยวางทอดทุระลงอนิจจังทุกขังนาตาอันนี้เรียกว่าปัญญาอันวิเศษสูงสุดคนจะพ้นจากโลกได้ก็เพราะเห็นที่สุดของโลกคืออนิจจังทุกขังนาตานั่นเอง ถ้าไม่ถึงนั่นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็นจริงจริงจังรู้แจ้งจริงจริงในจังด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่มันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมั น, นเดี๋ยวก็วกกลับขึ้นมาอีกเขาไม่เห็นจริงแจ้งในใจแล้วละได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอันนี้จังทุกขหน้าตา่ามันจะไปที่ไหนแล้วจริงแล้วพวงมดมันเพียงแค่ี้จังทุกหน้าตา พุทธศาสนารวมย่อลงมาเพียงแค่นี้นี่แหละพากันเมื่อออพันษาแล้วพากันแยกย้ายไปทํามหากินตามน้าทีของตนทุกๆคนให้พากันหาหลักเอาจับหลักนี่ให้มันได้อย่าให้มันเสียทีที่เราได้มาพุทธปฏิบัติฝึกหัดหลรมพ่อนากรรมฐาน เดียวเอาของไม่ดีไปเผยแพร่ไม่หายขี้หน้าตนเองของไม่ดีคืออะไรทั้งหลายทั้งคนทั้งพวงมดมาหาของดีย่างได้ของดีอย่างที่หวานนี่เขาเออกไปต้อนพี่ต้อนน้องเอาไปหาเอาไปฝากที่ฝากน้องฝากญาติฝงงากโยมฝากหมู่เพื่อน เอาเจ้าของไม่ดีนี่ไปฝากเพื่อนเพื่อนเห็นกับ น, น้าชมนิยมนับถืออันนั้นเป็งการดีมากและเช่ว่าตัวของเราก็ดีหมู่เพื่อนก็พลอยดีไปตามด้วยเท้าของไม่ดีไปแล้วกัรนี้มีอะไรของไม่ดีห้าเก็บเอาของไม่ดีน่ะเก็บใส่ถุงใส่ถุงเต็มถุงแล้วก็กลับบ้าน ไปไเปิดดูว่ามีอะไรมีแต่กี้ยะเต้มถุงไม่มีอะไรเลยอะไรของกียะอยู่ในอย่างในที่ในถุง น, นั้นมีกระดาษบ้างมีเปลือกไม้บ้างเปลือกส้มเปลือกลูกไม้อะไรต่างๆเต็มหมดแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องจับไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือ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 ตัวของเราที่เรามาอยู่จะต้องเอาอะไรไปบ้างสิ่งที่ควรที่ติดไม่ติดปื้องเราแต่เพาของทิศเศษของเลอะเทอะอนนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยความปวดความโลคความหลงทั้งหลายหูเคื่องเลยพยายาเอาละความโรคความโกรธความหลงแต่เราเอาความโรคความโกรธไปเผยแพ่ไม่ดีเอาละเพียงแค่นี้แหละ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 ดังนั้นจึงตั้งใจทำวันนี้การทำสมาธิก็มีหลักเหมือนกันอย่างอธิบายฟังแล้วคือการสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่เสียผลประโยชน์อะไรดรอกมีก็มีเยอะนั่นและทับทิมเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหน ในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสลัลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของพนันเบื้องต้นเราต้องเอาคําบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปาสสติก็ได้ถ้าไม่มีคําบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใด มันเจามีคำบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวท่นเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคำบริกรรมมันนั้นพุโทโธพุโทโธหรืออนาปะสติกเอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จดจ้องนในสิ่งนั้นจิตไม่ได้มีหลายอย่างแต่จิตไม่มีหลายคนคนเดียวเท่านั้น กานจดจ้องนั้นมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธิส่นี้สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหายปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิท้งนั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วขานี่ให้รักษาสมาธินันไว้ ถรักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นสี่ปีเอาเป็นสิบสี่ปีนเน่ยอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วใ ห, ใ, ห ใ, หให้เกิดให้ให้ก่อให้เกิดรุ่นวายอีกแหละนั้นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแหละมันนิ่งแนวเป็นสมาธิอยู่อันเดียว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 จิตสงสัยวู่นวายฉันเมื่อเห็นโทษเบื่อในายสลระมดยังเหลือแต่จิตเจ็ดตจิตตัวจิตตัวเดียวคันจิตคือตัวคู่คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาคู่คิดนั่นแหละจากคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะผู้หนึ่ง ผู้มันสงสัยจับเอาผู้นั้นแล้วมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจราคาเนี่จิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้นีลจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปุมผู้แต่งใจคือผู้รู้ขันไม่คิดไม่นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึก เฉยๆอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งข่านลมหาใจเลยไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยแต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นแหะ คือเป็นตัวใจนั่นนะทังเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการฮัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงเข้ามาแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านไปอีก ส, ส่งสายไปตามเรื่องเมื่อมันสงสัยมันก็เป็นจิตขานี้ ใจคือผู้เป็นกลามไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในต้นในตัวอยู่ในบ้านในเรือนไหนตัวใจให้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้ให้มันอยู่ในป่าในโลกก็ได้ไม่อยู่ในต้นในตัวนี่ก็ได้สุดแล้วจะเอา แต่ไปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหะตัวใจในนั่นแหะตัวจิตไปรู้สึกกันคันทาหาก็เอาเอาเอ า, เอาจิตตอนนั้นไปไปรู้สึ ก, กตรงนั้นแล้วไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาคู่รู้สึกนั้นอย่าไปจับเ อ, อาอาการอาการต่างๆให้จับเ อ, อาตัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนก็ตามเถอะ นอกไม่ว่านาไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติท่อนากรรมฐานต้องการอบรมใจไม่ต้องการอบรมจิตไม่ต้องมันต้องการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้เดให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นี้เดยืนเดินนั่งนอนนิยาบทใดก็ดี รู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอาครับมันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรกับการฝึกหัดอบรมพวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นมันจะไปได้ก็เอา มันออกหรือมันเข่ามันหยุดมาอยู่หรือมันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมาอยู่งั้นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางกับความที่มันคิดมันนึกมันปรุงมาแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วอันรวมลงมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรอกมันหักรวม มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นจะต้องการท่านเป็นอย่างนั้นเน่ะพึ่งหัดสมาธิใจใจข้หมายขวบว่าของเป็นกลางเรียกว่าใจสิ่งในพวงมดของของเป็นกลางเ้าเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอา ป, ปรุงไปแต่งอะไรทนะั้งหมด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 ใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทํากลางอกนี่แหละตรงกลางๆนี่แหละใจมือก็ชี้ก็ตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นแหละใจเท่าใจต่างๆของกลางๆเรียกว่าใจถ้ายังให้รู้ใจเข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก พาวนาครับนี่ตั้งจิตกำหนดพิจารณาตั้งสติกำหนดปิจนาจิตให้แน่วแนว่มันถึงมันถึงจะสงบกายสงบแล้วใจมันยังวุ่นอยู่มันคิดนู่นคิดนี่ส่งนู่นส่งนี่อยู่มันไม่สงบวาจาก็สงบแต่ใจยังดิ้นรนอยู่ คิดส่งไปมาหน้าหลังไม่ตั้งมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวคิดรักเดี๋ยวคิดชังเดี๋ยวคิดโกรธโลกหลงธพัท ท, ทุกอย่างวุ่นมดมันวุ่นอยู่คนเดียววุ่นอยู่ในหัวใจคนเดียวพุงอยู่ในหัวใจคนเดียว ไม่สงบได้เมื่อไม่สงบแล้วค่ะนี่ไปอย่ไหนมันก็ไม่สงบพี่ง่อหุ่นเดินอา ก, กาศอยู่บนฟ้ามันก็ไม่สงบมุดดำไปหยใดใต้น้าไปดินมันก็ไม่สงบเที่ยวไปมดทุ่งแห่งทุ่งหนมันก็ไม่สงบนานๆนั้นกก็บโทรออกมาฟ้ากด โกด้่นโกดตัวนี้พุ่งไปหมดท่านพูดว่าความไม่สงบมือนก็หมาขีเรื่อนหรือ่ า, านั้นท่านพูดยังยากหมาขีเรื่อนเลยนะไปนอนไหนก็ควักอยู่นั่นกคุกคุก ค, ก, คกอยู่แล้นนะไม่มันไม่สง บ, บสักทีครวนี้ก็สบายคนนั้นก็สบายที่นี่นก็สบาย หมาว่ามันไม่ที่ไม่สบายอันที่จริงมันเกิดในตัวคิเลื่อนนัต่างหากวิ่งอยู่นั่นแหละเพราะไม่สงบถ้าสงบแล้วอยู่ในบ้านก็สงบอยู่ในวัดก็สงบอยู่ในป่าในนกก็สงบอยู่ในถ้าในเหวก็สงบสงบมดทุกแห่งทุกคน เราสงบคนเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นหมดในโลกอันนี้มันจะวุ่นวายสักเท่าไหร่มันก็ไม่เอาเรื่องห อ, อกทาเรื่องของคนอื่นึ่งเป็นเรื่องของคนอื่นเยนนั้นให้ตั้งสติรักษาจิตให้มันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียว ด้วยคำบริกรรมพุโทโธหรืออนาปานสติก็ได้ให้อยู่ในที่เดียวตามรู้ตามเห็นมันอยู่ทุกขณะสติตัวนี้เป็นของสำคัญมากเป็นรักฐานของการภาวนา เป็นลักฐาะงพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นลักฐาะคุณงามความดีทั้งนั้นถ้าเห็นสติทุกเมื่อแล้วถ้ามีสติทุกเมื่อแล้วตามรักษาจิตทุกเมือ่อนจะไปไหนที่ไหนทั้งใดละอายสติวดัดข้อม้วนไหวเดี๋ยวร้อนละอายสติ ความโกรธก็ละอายสติความโลภวองหลงกวาละอายสติสติคือผู้รักษาสัมปัญญาคือปัญญาความรู้ตัวเรียกว่าปัญญาผู้มีสติก็ต้องมีปัญญาเอาปัญญาตรงนี้ซะก่อน เนีย่ยตัญญาสูงนักเลยเขาก็ถขอเมืองต้นนี่แหละสติรู้จิตอยู่เกิด ค, ความรู้ว่าอยู่ทุกขนาดลองดูว่าตัวปัญญานันมันมากเท่าไหร่ได้ผ่านนี่อย่างได้ปัญญาก็เอาวิจิตเอาเรื่องเอาเอาเก็บเอาโน้นนาทีเก็บเอเท่าไอเก็บเอาจริงนั่นนาที ที่สติไปดูนะอยากให้รู้กิเลส ข, ของตนเรื่องโลภโละมันอยากได้อะไรอ่ะมันอยากได้สิ่งของมันไดาออมาทําไมอามาบํารุงร่างกายอามาบำรุงร่างกายบำรุงอะไรมาบำรุงความตายแต่ตายไปเรื่องได้อะไรล่ะมันก็หมดเรื่องมันก็สติไหม ตัวนันควรู้ตามนั่นมันตามรู้ตามเห็นอย่างเงีน้นั่นก็หมดเรื่องมันจะออกไปทําไมความโกรธขันทั้งโกรธเขาอะไรกันตีไปดูความโกรธเข้าไปรักษาความโกรธโกรธเขาเพื่อความอะไรเพื่อความอยากได้อยากมีหมดเพื่อความอ เ, เอาแพ้เอาชนะเขาหรือชนะไปทํ า, าทไม ชนะอะไรหล่ะการนี้ความแพ้มันมีอยู่ในโลกวันนี้แพ้มันต้องชนะในตัวชนะต้องแพ้ในตัวมันต้องมีแพ้ันชนะนี่ยอย่างโกรธเขาตัวดําตัวแดงหน้าดําหน้าแดงเนี่ยพูดเขาสาส์สจนกระทั่งเราเขาไม่กล้าพูดกับเราเรียกว่าเราชนะเขาแตคของโกรธของเรานั้นเราชนะไหแล้วแล้วก็ไม่ชนะอยู่ดีๆเนี่ย ชนะได้เขาพดเมโกรธไม่ชนะเขาหรอกมันโกรธอยู่เนินนะ่ยแต่เขาพูดเขาไม่โกรธนะสบา ย, ยอย่างนี้แหละปัญญาตามมือดีเนี่ยในคนที่สุดแล้วเลื่อยเปล่าตัวของเราเป็นทุกข์ซ้ำอีกความโกรธนะั่นทำให้เลือดขึ้นหน้าดำหน้าแดงอาหายรมันกรธ ไม่เคยย่อย้วบประสาไม่ย่อยท้องเสียโทษสังวอยู่มันมีอยู่อย่างนี้แหละถ้าสงบประสาเนี่นิ่งแน่อเฉยอยู่ไม่มีอะไรขันสบายเราคนอื่นก็สบายตัวของเราก็สบายนั่นดือความสงบ าก็ไม่ได้มากเอาเถอะพวกเราที่มาอยู่นี่ลหละ